ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรร ม, รรมชาเรื่องโมคะบุรุษเพราะท่านแปลว่าอย่าเป็นคนชิงมาเกิดอาจจะมาว่าตั้งแต่ปีนี้ไปนะในทศวรรษต่อไปก็จะดูมาดูผลดูใ น, น, นี้อาตมาทำใน7็ปีแรกมันก็ยังไม่มีโรคมีภัยอะไรเท่าไหร่ พอเจ็ปีหลังนี่ปีทศวตรรษต่อมาอาตมาทํางานมา17ปีเนี่ยในสิในเจปีแรกก็ขนาดแค่นั้นน่ะนะจากสาสเออจากหนึ่งสามาเจปีมือเท่าไหร่สองนยจากมาถึง2องศสองศก็เริ่มต้นตั้งสันติโอสโุขเริ่มต้นตั้งสันติโอสุขเริ่มต้นมีอะไรอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรขึ้นมาจากสองศย์มาถึงสาศเห็นละรูปร่างเป็นจังหวะนี้ ทีนี้ทศวรรษต่อไปจะ30ถึง40นี่มันก็จะมีอัตมาก็คิดว่ามันก็ถึงวาระของมันมันมีอะไรของมันตามตามธรรมนะนะจะว่าตามดวงก็ดวงแต่ว่าอัตมาก็จะต้องไม่ไม่จำนวนต่อดวงไม่จำนวนต่อพรหมมริคิดจะต้องพากเพียรเพื่อที่จะให้เกิดแม้แต่ตัวเองก็จะต้องขยันจะต้องพากเพียนอะไรอะไรขึ้นอีกมากมายน ะ, ะรู้สึกว่ามันต้องพยายามนะ อายุมันมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ขยันได้และอาตมาคิดว่าอาตมานี่จะยั่งยืนหรือว่าจะอายุยืนไปต่อเพราะความขยันไม่ใช่จะยั่งยืนเพราะขาขี้เกียจขี้เกียจมันไม่ทาให้เรายืนหรอกอายุสัน้นคนโรคโลกเมื่อวานนี่เจอเพื่อนที่ทำงานทีวีเขาก็บอกว่าเพื่อนที่ห้องฝ่ายศิล มีฝ่ายศิล์อยู่มีสมเกียรติมีเบญจะมีประทีปมีพิชัยวัฒนส่งสี่คนในห้องนั้นขณะนี้เขาบอกว่าเหลือพิชัยคนเดียวทั้งสมนั้นตายไปแล้วหมดเนี่ยเพื่อนตายไปแล้วแก่ไปตายกันไปไม่ถ้าแก่เท่าไหร่50กว่ายัาง ไ, ไม่ถึง60กันตั้งนั้นนะที่ตายพิชัย60นะพิชัยนี่หกสรียังมารู้ จะหกสิะท่า60ก็ไม่60ก็6กสอะไรราวๆนั้นพี่ชายยังอยู่คนเดียว<ม>เนี่ยก็ตายกันไปเรื่อยอาตมาก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็น ข, ขยันนะพี่ชายขยันแต่คนอื่นก็คงขยันเท่าเขานะข่ะความขยันนี่ไม่ได้ทําให้คนตายง่ายนะแต่ขยันเกินก็ตายง่ายกันนะขยันมันจนกระทั่งไม่รู้จักบรรยัป บ, บั ร, รยังอะไรเนี่ยมันก็เกินไปแต่อาตมาว่าขยันแล้วก็ตายมันยังดีกว่าคนขี้เกียจตายนะอาตมาว่าเออไคนขี้เกียจตายเนี่ยมันยังสมน้ำหน้ามันเอามาอะไรมาเป็นตัวอย่างไม่ได้เลย เออคนขยันน่ยมันตายมันก็จะบอกมันตายเพราะความขยันเออเขาท่าเขาถามยังเขายังชั่วยังพอชมพอเฉยกันได้นะเพราะอาตมาว่าอาตมานี่แม้มันจะตายเพราะความขยันอาตมาก็จะอให้มันลือกันไปเลยว่าอี่ตายเพราะขยันนีมันเอออาตมาจะไงเป็นไรแล้ใครจะมาตำหนิติดเตียงว่ามันตายเพราะขยันมันจะด่าจะว่ายังไงกระช่างมันเถอะแต่ตายเพราะขี้เกียจดิไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ไหนเอไม่มีหน้าจะแตก ไอ้ตายเพราะขี้เกียจดิเมืแต่หน้าจะแตกก็ไม่มีหน้าให้แตกนี่ไม่ไหวจริงๆนะเอาล้นี่ประเด็นสําคัญนะที่เราจะย้าจะเน้นกันว่าสมาธิฏฐินะมีสมาธิฏฐิมีความเพียรมีความเพียรจัดจักชนะพรมลิกิตนะมีความเพียรจับจัชนะพรมลิกิตเ พ, พราะเมื่อเรารู้ปมแล้วว่าเราไม่ขยันเพราะอะไร แต่วิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าอ๋อพ่อเราไม่เข้าใจตัวเองพ่อเราไม่เข้าใจเพราะวัตันหาพ่อเราไม่เข้าใจพบที่เรามัเสมัติดโอ้มันได้เป็นอาศัยซะแล้วมันก็เลยมาติดปั่นอยู่อย่างเงี้ยนะงานดีๆที่เป็นกุศลอย่างกุศลในถึงพร้อมอันยิ่งที่ควรกระทาไม่ผิดทำไม่ผิดวินัยไม่ผิดศีลของเราเนี่มีอีกแะที่เราจะรังสรร์ช่วยกันอย่างน้อยที่สุดงานที่ไปช่วยร่วมกันรังสรร น, นั่นนี่เวลาจะเรียกกันเนี่ย อ้าวขอแรงหน่อยเจ้าขาเอ้ยโฟนโฟนเปิดเสียงไปทั้งบ้านนะออกไปให้ทั่วได้ยินมอดอยู่ในส้วมก็ได้ยินอตอนนี้ขอแรงนอนท์นี่ฟังเมือนกันเหลือเหล อ, เ, หลอเราติดตอนนี้กําลังขี้เราติดแล้วต้องเดินไปนั่นหน่อยแล้วราติดนี่นหน่อยเนี่ยมันเรื่องของตัวอัตตาทั้งนั้นนะมันไม่เพียนมันไม่เห็นงานแล้ววิ่งเข้าใส่เหมือนพระพยอมว่าไม่เห็นงานแล้วขันไม่คันมือ เห็นงานแล้วบินกอลสมันไม่คนไทยนี่ได้ชื่อว่าไม่เจริญเพราะความขี้เกียจต่างประเทศเขาว่าระวังอาตมาไม่อยากยกตัวอย่างประเทศบางประเทศมันขี้เกียจกันมากประชาชนขี้เกียจแล้วจะให้มันเจริญได้อย่างไรญี่ปุ่นมันขยันจีนขยันเราจะเห็นได้ญี่ปุ่นจีนเมื่อไหร่มันขยัน ไต้หวันมันก็เชื้อจีนญี่ปุ่นมันก็เชื้อจีนเกาหลีมันก็เชื้อจีนมันขยันดังนั้นเพราะฉะนั้นมันเกิดได้คนไทยมันมาเชื้อทางนี้ไม่พูดประเทศอะไรบ้างใครมีปฏิภาณนึกเอาเองเห็นเลยเห็นประเทศที่มีเชื้อทั้งนี้เพราะนั้นใครวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พงศวรรดว่าไทยมันมาจากจีนที่หมาเนี่ยมันมาเอาเลือดจีนที่ไหนมันเอาเลือดมันเอาเลือดจีนก็แจววะที จีนขยันนะยวนนี่ก็เลือดจีนขยันยวนจีนนี่ศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆอาตมาไม่ศึกษาประวัติศาสตร์หรอกอาตมาก็ศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของอาตมาก็ศึกษาอย่างอาตมาที่อาตมาเล่าไอ้ฟังพูดอยู่นี่ก็คือประวัติศาสตร์ที่อาตมาศึกษาและคุณฟังมันมีจริงไหมเหตุผลจริงไหมขยันเพราะฉะนั้นเลือดขยันนี่คนไทยน้อยมันไม่มีเลือดเหมือนอย่างจีนเหมือนอย่างยวนเหมือนอย่าง เรานี่ยเอายกตัวอย่าง ก, ก็ได้มือเลือดเขมร น, นี่เงี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนิดหน่อยมันขี้เกียจเลือดลาวอย่างนีมันภาคพวกเดียวกัน <c oughs> เอายตัวอย่างมันก็ได้บ่จะไม่วาแล้วหรือแม่อินเดียอ้าพูดไปซะเลยนี่หรือแม่อินเดียนี่เลือดมาทางนี้ยานมาทางนี้เก๊เพราะงั้นเจริญยากเจริญยาก อุดมสมบูรณ์อย่างมีแต่จะร่อยหรอดีที่ว่าเมืองมาอยู่ในโซนอบอุน่นโอ้โหแดดดีนด้ําดีอะไรดีวัตถุสมบัติดีหมดเดี๋ยวนี้เจาะ ด, ดินไปที่ไหนนี่นบระกาศกันใหญ่แล้วนี่น้ํามันอยู่ใต้ดินก็มีอีกโอ้ยมีหมดข้าบนดินเป็นปลูกข้าวเจาะลงไปข้างล่างน้ํามันซัย์ทั้งนั้นมีที่ไหนประเทศข้างบนนี่ปลูกข้าวกันจะสบายเจาะลงไปเอาน้ํามันโอ้ยมีซัพยบพยากรทั้งบนดินทั้งใต้ดินเอ มีจริงๆร่รำรวยมากมหาศ า, ศาเข้าไปบนฟ้าก็โอ้โหฝนเมฆเยอะอะไรนี่เป็นต้นโอ้โหนี่ถามข้ามคันจะถามวิกาละโพชนายังไม่ได้อธิบายสีลห้าต่ออยู่เลยจะเอาสีลข้อหกแล้ว ดีบา ก, กรรมของพระอริยเจ้าอีกด้วยโอ้ยไม่มีเวลาแล้ววันนี้ดูที่นี่อีกครึ่งชั่วโมงไม่ดีนักไม่เต็มนักนะเอา้ากค่อยๆว่ากันไปพรุ่งนี้ยังมีอีกนะพรุ่งนี้ก่อนฉันกัตมาก็จะต้องสรุปเรื่องบ้างแล้วก็สรุปเอาเรื่องเนื้อหาอะไรต่ใดพวกเราที่มางานปีนี้นะก่อนจะไปปีใหม่เราจะได้เนื้อหาเราจะได้ไฟเอาไปพัฒนาตนเองเหมือนมาเติมแบตเตอรี่นะมาเติมไฟแบตเตอรี่ไนงะ ถึงไหนละเมื่อกี้ เ, เ, เอเนนนอนะเอาภาษาอีสานมาเอาคาบางเพื่อเออินกินแลนดใสเออินใสแลนนี้นีนะภาษาอีสา น, นาพอเรียกจะกินแล้วก็วิ่งใสพอเรียกใช้วิ่งหนีจำไว้เรียกกินวิ่งใสเรียกใช้วิ่งหนีน ภาษาอีสานเอื่นกินแลนไสเอิ่นใสแลนหนีภาษาอีสานามเมื่อเราเองเรายังไม่เข้าใจเป็นสมาธิเราไม่เข้าใจชัดเจนอัตมาคิดว่าพูดชัดขึ้นมาแล้วนะแต่รู้สึกเหมือนกันว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่ยังพูดยังไม่ไมจับผู้กมาตําหน้าชัดแตน่นี่ก็น้าแตกไปหลายคนแล้วละขณะนี้ที่พูดไปนี่ก็น้าแตกไปหลายคนแล้ว มันพัวแล้วโอ้โหนี่มันเรานี่นะนี่ใช่แล้วใช่เนี่ยอย่างนี้เราเออได้แป่นกว่าแค่นี้ขี้เกียจก็เสพว่างเสพเบาเสพง่ายอะไรอยู่ก็แค่นี้เนี่ยนะมันขี้เกียจมันไม่ข ย, ยันนะเพราะนนั้นจะบอกว่าไปโทษเลือดว่าเราเลือดทางนี้ไม่เอาเลือดดีที่ไหนเอากุศลที่ไหนเราเอาของดีที่ใครเอาหมดของดีที่เอธิโอเปียเอา ไม่รู้อะไรดีบ้างยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะของดีที่ไหนมันดีเอ้าของดีที่อเมริกาเอาของดีที่รัสเซียมีเอาของดีที่จีนแดงมีเอาของดีที่แม่นาเนกเมนดีมันมีจุดดีอะไรเอ้าของดีที่ชาวไหนก็แล้วแต่ชาวจีนญี่ปุ่นแทกอะไรทั้งนั้นน่ะจุดไหนดีเราเอาเราต้องศึกษาในสมาธิที่รู้ดีเอาดีไอ้ที่ไม่ดีละเว้นเลิกปลดปล่อยอย่างน้อยที่สุดขี้เกียจขยันนี่ไปถามประเทศไหนก็ได้ ถ้าประเทศนั้นมันตอบว่าขี้เกียจดีแล้วก็เลิกไม่ต้องพูดกันประเทศนั้นจงปิดประเทศไม่ต้องมีกล้าจะทูดเพราะประเทศนี้นี่มิจฉาทิฐิอย่างมหามิจฉาทิฐิมันบอกว่าขี้เกียจดีกว่าขยันนี่มันพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วขนาดสากลแล้วกัพื้นฐานขนาดนี้มันยังตอบไม่ได้มันยังเห็นผิดอย่างนี้แล้วไม่ต้องพูดกันแล้วขี้เกียจดีกว่าขยันนี่เลิกกันแล้ว เพราะขนาดนี้แม้แต่สมาธิที่ขนาดนี้เนี่ยเรายังทําสูงลึกซึ้งกันเห็นรูปเห็นรอยไหมว่ามันลึกซึ้งไม่ใช่ตื้นนะแค่รูปขี้เกียจและขยันเท่านั้นอทีนี้รวมลงไปความขยันหรือความอดทนนี่คันตีปรมังตะโปตีติตขานี่ความอดทนความขยัน ต, ติขาติขานี่ความเพียรเนี่ยมันเป็นเรื่องบนวมมายิ่งใหญ่นะประมังเป็นตบะ ตบะแปลว่าความเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะตั้งให้แก่ตนกระทำตบะนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่ตนจะตั้งให้แก่ตนกระทําเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักเกณฑ์อะไรมาตั้งให้แก่ตนกระทําให้เกิดอดทนให้เกิดติดขาให้เกิดขันติให้เกิดติดขาให้เกิดความอดทนให้เกิดความเพียรความกล้าตบะอะไรล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ขันตีประมงโตติโพตโปติติขาเนี่ยความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง ท่านแปลไม่ครบแต่ติดขาท่านไม่ได้เอาใส่เข้าไปมันเป็นตบะนะองค์ความอดทนจะอดทนได้ก็เพราะมีความเพียรกระทําำวหลักเกณฑ์อะไรที่จะเอามากระทําแล้วต้องเพียรต้องติดขาจึงจะเกิดความอดทนได้จนอดทนนั้นเป็นความไม่ต้องอดทนแต่คนอื่นเห็นเลยว่าโอ้โหคนนี้ทนได้แต่เราไม่ต้องอดไม่ต้องอยากไม่ต้องยากไม่ต้องเย็นอะไรเลยแต่เราทนได้นะ เราทนได้แล้วนี่ฟังภาษาไทยง่ายๆอาตมาขยายความให้ฟังแต่ต้องเพียรก่อนต้องติดขะก่อนต้องติดขาก่อนต้องเพียรต้องเพียรจริงๆถ้าไม่เพียรแล้วไม่ได้ไม่มีทางที่จะบริบูรณ์ด้วยอดทนคำว่าบริบูรณ์ด้วยอดทนกับอดทนที่กําลังเพียรอยู่มันต่างกันนะในภาคฝึกอยู่นี่มันอดทนนี่มันทุกข์ ในภาคที่ทนได้แล้วโดยไม่ต้องอดไม่ต้องอยากไม่ต้องยา่างไม่ต้องเย็นที่ว่าเมื่อกี้นี่มันทนได้แล้วนะมันไม่ทุกข์แล้วมันเบาว่างง่ายแล้วแต่มีบทบาทขยันมีบทบาทพฤติกรรมที่ดีแล้วง่ายแล้วคล่องแล้วชํานาญแล้วของหนักก็เบายกหินอย่างนี้เป็นต้นคนที่ยกชํานาญแล้วนี่เขายกเบากว่าแต่ก็มีน้ําหนักเหมือนกันนะแต่ว่ามันง่ายกว่ากันเบากว่ากัน ไอคนที่ยกไม่เป็นไอยกหินก้อนเล็กๆเท่านั้นก็โอ้โหไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแม้แต่วิชาแค่ยกหินธรรมดาแค่นั้นก็เถอะอื่นๆก็เหมือนกันในยะที่คล้ายกันแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่ากันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นปมนี้ก็ขอฝากพวกเราว่าปีใหม่ปีนี้ไปเริ่มต้นศักราชนี้ไม่ใช่สักราชทศนะไม่ใช่ปีนะทศนะสักราชะละปีนี้ก็ได้ศกนี้ปีนี้แล้วก็จะต่อไปเป็นทศทศสวรสด์ เป็นสิปีช่วงหนึ่งดูสิว่าถ้าเราเข้าใจปมนี้กันดีเพราะวัฒนานี้ต้องเข้าใจกับทุกทวนคนแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจกันหมดชาวโศกเราจะต้องศึกษาธรรมะพรุทธเจ้าพิสูจน์รจริงๆพิสูจน์ให้มันกระจายพิสูจน์ยัง ย, ยืนหยัดเย็นๆว่ามีพฤติกรรมที่ทวงไม่ได้ตูไม่ได้ทวงไม่ได้ตูไม่ได้ทุกวันนี้นี่นะชาวพุทธทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยนี่มีมากกว่ามาก เขาก็หาว่าอาตมานี่มาพานอกรี่มาพาทําต่างจากคำสอนพระพุทธเจ้าแต่อาตมาขาอยืนยันอาตมาพาปฏิบัติเข้าหาคำสอนพระพุทธเจ้าที่มันเพี้ยนมันเพี้ยนไปแล้วก็มันออกไปแล้วก็พยายามหาเข้าหาหลักแท้เข้าหาความจริงแท้แก้ตัวผิดตัวเพี้ยนเป็นลทัทธิแก้ไปมากแล้วก็เข้าหาความแท้ขึ้นมาให้เห็นเด็ดขาดเรพระพุทธเจ้านี่ชนะอะไรมั่งท่านชนะหมด ชนะอินชนะพรมชนะย ม, มาบาลอะไรที่ไหนชนะหมดเป็นผู้พิชิตหมดไม่ใช่เราพูดเล่นนะท่านตรัสเองและอัตมาก็เห็นจริงคุณจะเห็นจริงด้วยกว็ต่อเมื่อคุณต้องชัดจริงๆเลยว่าท่านชนะที่อัตมา ก, กล่าวไปแล้วว่าท่านชนะแม่แต่ชนะแม้แต่พระเจ้าชนะพรมเลยขิดชนะดวงชนะว่าดวงนี้แก้ได้ ไม่ใช่ไปให้เจ้ากรรมนายเวรมาแก้เรานี่แหละเจ้ากรรมนายเวรเวนตะไลก็เราทําเองเรานะแล้วเราต้องแก้ของเราคนอื่นแก้ให้ก็ได้แต่บอกให้เท่านั้นเองคุณแก้แก้เองแก้ยังไงผู้บอกกันก็แก้กันมันอยู่ที่ตัวเรามันเป็นรายละเอียดมันเป็นกรรมมันเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราใครจะไปแก้ได้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของตนของตนคุณก็แก้วเอง แก้ปรับปรับปรั บ, ร บ, ร บ, รบมันจึงจะเป็นไปได้เพราะฉะพราว่าปฏิบัติถูกทาง แ, แล้วนะโลกเขาจะติดเตียนไม่ได้อย่างอโศก เ, เราบอกแล้วเมื่อกี้พูดแล้วว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาจะถล่มว่าเราออกนอกดิแต่เสร็จแล้วมันมันไม่ได้เพราะว่าเรายิย่งปฏิบัติเขาดิ่งพิสูจน์เขามันยิ่งยืนยันยืนยันมีบุคคลผู้คนเขามายืนยันพยายามประกาศประกาศยืนยันประกาศยืนยัน นี่อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเขามันไส้ตรงที่เราประกาศดีมันข่มเขาแต่เขาก็พูดไปออกพูดของมันก็ถูกของมันจะทําไมมันอวดนักวะมันเขามันไส้ตรงที่เราอวดเนี่ยมันอวดนักวะพูดของมันก็ถูกของมันเถียงมันก็เถียงไม่ได้แล้วมันเอาของจริงมาเราก็แพ้มันเขาก็เลยจํานวนอยู่ทุกวันนี้นี่มันรุกเรารุกได้เนี่ยมันรุกไปเรื่อยๆเรามันรุกไปได้เรื่อยๆอย่างเนี้เขาถึงยอมมาโศกอยู่ทุกวันนี้ ตรงที่ว่ามันมีของจริงมีความจริงขึ้นมาคืบลุกคืบหน้าไปแล้วเขาก็แย่งไม่ได้ปรเดี๋ยวเขาน่าแตกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราแยงอะมั้งมันยิ่งไม่ค่อยจะมันจะบรรยังด้วยเราคืนมาเดียวจะยกดีนี่ยู่งยี่ทําอะไรยังอ่ะเขาก็เดี๋ยวหนาลาภาษาอีสาน โดนย้อนเข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าซีดเลยหน้าซีดก็เหมือนหน้าแตกนี่แหละหน่าลานี่ยหน้าซีดเลยมันโดนย้อนเข้าที่นึกซีดเลยหน่าลาะเขามีสำนวนต่อหน่าลาตาตีตาตีนี่หมายคขาว่าตามันนาลาแล้วก็ตาปล่อยนาเล็กลงไปหน่าลาตาตีเรียกว่าเรียกว่ามันมันมันเสียท่ามันก็ต้อง จ่อยอะ่ะภาษาภาษาสัมะกลางเราบอกจ่อยนีนนนมันก็จ่อยลงไปเลยมันก็ถูกมันไม่มีทางที่จะองค์อาจแก้วกล้าขึ้นมาได้เพราะมันแพ้แพ้เพราะงั้นเขาเขาเขาเข า, เข า, เขาไม่กล้ายันเท่าไหร่แต่แหมยับอยู่เรื่อยยับพวกเราเนี ย, ยับอยู่ด้วยแต่เขาไม่กล้ารเราจริงจริงๆเขาไม่กล้าเขามีปฏิพานรู้ไม่ใช่เขาไม่ฉลาดกันฉลาด เพราะเขาฉลาดนี่แหละเป็นบุญของเราถ้าเขาไม่ฉลาดหน่อยเนาซวยแน่เลยแม่โดนบอมตายเลยแล้วโดนเหยียบพวกพวกเขามากแล้วโดนบอม่อยนี่มันสัจจะมันมันช่วยเราตรงนี้สัจจะนี่มันช่วยตรงที่ว่าเขาก็ฉลาดรู้เหมือนกันสัจจะเพราะฉะนั้นเฮ้ยอย่าแ ย, ยม้มเดี๋ยวเขาเอาสัจจะมบาบอมเราๆจนหน้าแตกไม่มีทางเย็ยบปรเดี๋ยวจะวุ่นนะประเดี๋ยวหมอเหมือไม่รับเย็บหมดเลยยุ่งนะ คือประเภทหน้าแตกจนหมอไม่รับเย็บนี่ไม่รู้จะทำยังไงละนะมันก็คงจะแตกกันแหลกล้านเลยนะถานะมส่งหมอหมอไม่รับเย็บแร้บโอ้โหมันแตกเกินเด็บไห้ไหวเนอะอันนี้มาเข้าหาเรื่องเนื้อหาของที่อาตมาคิดว่าจะพูดบ้างมีเวลาเหลือเท่าไหร่ก็พูดนะคือเราจะต้องเสริมหนุนศีลเพิ่มขึ้นศีลข้อนหนึ่งเนี่ยท่านให้เกิดเมตตาศีลข้อนหนึ่งท่านให้เกิดเมตตา เพราะฉะนั้นเราจะเมตตามากขึ้นพวกเราจะเมตตาแก่กันและกันพวกเราเนี่ยมันพวกนักรบเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเฮี้ยมหน่อยหนึ่ง Bold. อย่าให้ตกมอนะค่อนข้างจะเฮี้ยมหน่อยหนึง่งพรอเรามานากักลบนักรบจริงๆถ้าไม่รบไม่อยู่หรอกสู้ไม่ได้เลยทุกวันนี้ถูกเขาย่ํายีตายเลยเรานากรักลบเพราะฉะนั้นนักรบของเราก็จะต้องรู้สถานการณ์ขณะนี้สถานภาพของเรามีมวลมีนักรบมากขึ้น เป็นกลุ่มเป็นก้อนตีแตกจากแล้วอย่างน้อยที่สุดศึกษาฝึกฝนพวกเราเองพวกเราเนี่ยอย่าว่าจะไปแห่ข้างนอกเลยข้างในเด็ก็แห่ใสกันนักหนาลดแห่แห่ลงไปมั่งนะพูดง่ายๆอย่างนี้สำนวนอัตมาไม่มีภาษาวิชาการภาษามันก็ลูกทุง่งลูกทุง่งง่ายๆอย่างนี้ลดแห่แห่ลงไปมั่งนะในพวกเราเนี่ฝึกตั้งแต่ในนี้เพราะฉะนพวกเราจะมีความชื่นชมยินดีนะจะมีการเอา เอาชมเชยกันขึ้นมาใช้ให้มากขึ้นนะพวกเราจะมีจิตเมตตาเกื้อกูลชมเชยกันพวกเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่เราเน้นประเภทที่ว่ารีบบุกลุยตอนติกเตียนกันให้มากเพราะว่ามันต้องรีบด่วนนะตอนนี้ก็พอมีฐานอาศัยบ้างแล้วก็เอาเอาละนะชมเชยกันบ้างชูใจเสริมกำลังซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในสักราดใหมน่นี้ต่อไปเราจะมีการชมเชยกันบ้างให้มากขึ้นกว่าเก่า การติดเตียนก็จะต้องมีศิลปะแต่ไม่ใช่ว่าจะลดตีเตียนไม่ลดตีเตียนก็ไม่ลดแต่ต้องปรับปรุงให้มีศิลปะมากขึ้นการติดเตียนพวกเรากันเองก็ตามติดเตียนผู้อื่นก็ตามให้มีศิลปะให้มีการาศาสนสัมพันธ์มีการสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อวานในคณะดูที่เนี่ยพวกอิตาเลียนมาดังเยอะมาถึงอตาตมาไม่รู้เรื่องเลยลามกว่ลามกว่า ล, าา ล, าลอภาษาอิตาเลียน หลอกันเละนะเขาเละไม่เละไม่รู้อัตมาเองอัตมากะว่าไปตามอัตมาเราจะประสานเป็นไดอะหลกเนี่ยไดยอะหลกประสานสัมพันธ์กันไปให้มากขึ้ น, นมีใจเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเรียกว่าสุภาพอ่อนโยนเพิ่มขึ้นมันจะได้ลดความเฮี้ยมลงมาอีกบ้างถึงยังไงยังไงก็ตีไม่แตกหรอกตอนนี้แต่ก่อนนี่ปล่อยเขาเข้ามามากมาเขารุกรานมากแล้วเราไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนมันจะแตกง่าย ตอนนี้กลุ่มของเราอาตมาเชื่อมั่นในสัจจะว่ามันเป็นสิ่งที่คงทนมันเป็นสิ่งที่ตีไม่แตกง่ายไม่เป็นสิ่งที่เหนียวรวมเป็นสิ่งที่เหนียวรวมกันได้รวมได้โดยสัจจะมันไม่ได้รวมด้วยการที่จะมาปลุกเร้าคุณมามอมเมามาล้างสมองแล้วก็ปลุกให้สุดท้ายเรามันก็ช่วย ก, กินยาตายมันก็ยังอะไรพวกในโจรในโจรอะไรเนี่ยกลุ่มหนึ่งหกร้อยเจคน ก, กินยาตายหมดเลยเชื่อฟัง เชื่อฟังผู้นำคนเดียวแล้วผู้นำกันหลอกส ก, กินยาตายกันหมดเพราะเราเนี่ยมันมีจิมโจร น, น, นั่นน่ะถึงนานไปแล้วหลายปีแล้วนะพวกเรานี่ใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจความเห็นเป็นตัวของตัวพวกคุณอัตมาเชื่อมั่นว่าอัตมาทำให้พวกคุณฉลาดขึ้นนะหรือว่ายิงเรียนยิงโง่ อาตมาว่าไม่งงนะเพราะคุณจะรู้ทันอย่าว่าแต่รู้ทันโลกก็เลยแม้แต่อตมาคุณก็จะรู้ทันมากขึ้นเอาจิงๆคุณต้องฉลาดที่จะรู้ทันมากขึ้นอาตมาจะไม่ใช่เล่ช้แฝงใช้กลลเชิงอะไรมาตีกินพรากคุณนะคอยจับให้ดีๆนะอย่าให้เกิดอาตมาก็ไม่อยากเกิด น, นะมันบาปบอกแล้วว่าบาปขนาดพระที่อาตมาว่าพระธรรมดานี่พระที่เท่นทำบาปบาปขนาดนั้นนะราคาบาปของท่านนะถ้าท่านโกหกนะบาปของท่านนะบาป โกหกนะ้นมากกว่าคนโกหกแล้วใช่ไหมอาตมาในฐานะอาตมาเนี่ยถ้าอาตมาโกหกคาเดียวกันเท่ากันกับที่ท่านโกหกอาตมาโกหกคานั้นราคาแพงกว่าท่านใช่ไหมอาตมาราคาบาปนะไม่ใช่ราคาบุญนะืราคาบาปราคาแพงราคาสูงกว่าถ้าอาตมาโกหกนี่อาตมาบาปมากกว่าท่านคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ชัดเจนตามฐานะ ตามความเป็นจริงเพราะอาตมาเนี่ได้รับการอุปถัมภ์ยิ่งกว่าท่านอาตมาทําผิดนิดนึงนิดนี้เนี่ยถ้าท่านทํานิดนี้เนี่ยท่านทําผิดนิดนี้ราคาเท่าหนึง่งแต่อาตมาทําผิดเท่ากับท่านนี่นะราคาขาองอาตมาแพงกว่าบาปมากกว่าบาปมากกว่านี่เป็นเรื่องจริงคุณฟังความจริงนี่ให้ออกฟังความจริงนี่ให้เป็น เพราะถ้าใครไม่สังวรไม่รู้จักฐานะตนไม่รู้จักความควรของตนตัวเป็นพระแล้วไม่ทําให้เหมือนพระตัวเป็นนักบวชแล้วทำไม่เหมือนนักบวชตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่ในสัจจะจริงคุณเป็นโสดาแล้วคุณเป็นสกิทาแล้วจะเป็นในข้าบคารวาสก็ตามคุณก็ไม่รู้จักสัจจะอันนี้แล้วคุณก็ไปทําบาบามากกว่าคุณทําบุญได้บุญมากกว่าได้บุญมากกว่านะบุญก็ได้มากกว่าบาบก็ได้มากกว่ามันไม่ มันไม่ลําเอียงหรอกอทํากรรมกรรมบาปก็กรรมบาปมากกว่ากรรมบุญก็บุญมากกว่าไม่ลําเอียงนะมันต้องเข้าใจความข้อนี้ให้ชัดนะเมื่อเราจะเริ่มต้นในศีลข้อนหนึ่งก็ตามจะเมตตาเกื้อกูลจะอ่อนโยนสุภาพเจือจานประสานกันให้มากแม้ในหมู่เราและข้างนอกบ้างแต่ข้างนอกนี่อาตมาให้ระมัด ร, ระวังว่าอย่าไปเฟอ้อจนกระทั่งเห็นใคร ตกทุกข์ได้ยากก็หอบก็มาเห็นใครนี่นะอยู่กลางถนนอยู่ทางรถเมลอะไรก็เอามาหยาบ้าถึงขนาดนั้นนะไม่รู้ไปเอาผี food, เอาสางอะไรมาเนี่ยเราเลี้ยงไม่ได้เราเล no ี sleeping, like ้ยงผีเลี <pen> ้ยงสางไม่ได้เราไม่ใช่นักไสยศาสตร์เนีเราเป็นนักพุทธต้องรู้คุณค่าต้องรู้ความเหมาะความควรว่าเราจะเลี้ยงได้แค่ไหนเราเลี้ยงได้คนที่เป็นเวเนยศัตว์เท่านั้นนะเอเวเนยศัสตร์เราเลี้ยงไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปตามกรรมต้องปล่อยเขาไปตามกรรมเอเวเนยศาสตร์เราเลี้ยงไม่ได้ เราพัฒนาเข้าไม่ได้เราต้องรู้และแม้แต่เวนยศาสตว์ก็จะต้องได้ขีดขั้นทุกวันนี้เราเลี้ยงคนได้คนที่ต้องฉลาดคัดมาก่อนคนที่ฉลาดทางธรรมนะคนที่มีบุญบารมีต้องเอาขั้นนี้มาเป็นมาเป็นหมู่กหมูฝูงมาเป็นผู้ที่จะร่วมหมูร่วมฝูงร่วมกลุ่มที่จะสอนหรือพัฒนาช่วยกันและก็จะถึงจะเป็นความเจริญที่มีริษแรงเพิ่มขึ้นถึงจะไปสอนคนที่มีบุญน้อยลงไปอีกได้ไม่ต้องทําจากนี้ไปก่อนอย่างที่อาตมาพากันทํามาเนี่ย จะอวดดีไปถึงบอกว่าเปิดตลาดเลยมาเลยใครจะรักษาใครจะในสอนเขาจะเรียนเลยผีสางขมัดเต็มหมดด้วยตายทาไม่ได้แล้วก็อะไรก็อ่อนๆลงไปหมดเลยนะมาตรการไม่เข้มคนขอสอบก็ง่ายๆใครก็เข้ามาได้แล้วก็บอกเขาเดินะว่าคุณจะได้นิพพานคุณจะได้สิ่งวิเศษคุณจะได้อะไรอะไรโอออวดเขาอีกมึงก็บ่บ่บ่บมึงก็อยากได้ฮอลโลโลเลมาตายทั้ง ตายหมดทั้งหมู่เลยไม่ได้นะอันนี้นี่เป็นความซับซ้อนลึกซึ้งอยู่นะว่าอย่าไปอยากใหญ่ข้างนอกนี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปิดประตูที่จะไม่เกื้อกูลข้างนอกอย่างน้อยเนี่ยเราโปรยปลายหวานสื่อสารเนี่ยเพราะงั้นเราจะทํางานมีโรงพิมพ์ทํางานหนงังสือเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยที่เราไม่จะออกไปกร ะ, กระโดด ก, กระเดกอะไรข้างนอกแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทํารับบ้างงานโน้นงานนี้มารับพิจารณาแต่ละงานแต่ละงานแต่ละ ง, งานพอเป็นไปเราก็ช่วยเขานี่สี่ข้อหนึ่ง เราจะเมตตาเพิ่มเมตตามากขึ้นลึกซึ้งขึ้นเจียนตนพยายามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราจะต้องเกื้อกูลกันและเกื้อกูลผู้อื่นก็คือเราจะต้องทํางานข้างในจ่ายออกไปให้ข้างนอกนี้ให้มากเราไม่ออกข้างนอกเองมากอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัชดเจนให้ลึกๆหน่อยนี่เป็นเป็นต้นเป็นหลักเป็นต้น จะทำพยายามสัง่งสร้างสันในเอาเวลาเอาแรงงานเอาอะไรอะมาทำในหมู่พวกเราให้มากปลูกแก่นให้มันถึงแก่นให้มากยิ่งขึ้ น, นสีข้อสองท่านให้ลดโลภะล้วก็จะเป็นผู้ที่จะลดโลภะจริงๆเ จ, จียนโดยเฉพาะปีนีน้สละดอกเบี้ยเฉลี่ยดอกบุญจะต้องพยายามเจียนในเลยพวกเรานี่ยมันยังทิ้งไม่ออกมันยังละไม่ออกมันเหนียวแน่นอยู่ในอะไร องค์กรที่เป็นส่วนรวมอยู่นี้อาตมาจะจัดการจะเรียกว่าบังคับกับบังคับเป็นประเภทอาณาหน่อยหนึ่งเป็นแบบอัาณาเป็นคำานเป็นประเภทประเภทคำานเป็นประเภทอานาหน่อยนึ่งเอาจะต้องพยายามไม่ให้กินดอกเบีย้ยถือว่าดอกเบี้ยนี่เป็นบาปอย่างยิ่งแต่มันบาปอย่างไรก็วิเคราะห์วิจัยให้ฟังบ้างแล้ว ใครจำไม่ได้ก็วิเคราะห์อีกนะฟังแล้วจะได้ไปพูดต่อหนึ่งถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วนี่เขาจะต้องเอาเงินเราเนี่ยไปขูดรีดไปดูดเลือดของประชาชนส่วนพื้นฐานดูดเลือดเพื่อเอามาเลี้ยงหนึ่งเอามาแบ่งให้แก่เจ้าของเงินฟังดีๆนะอาตมาวิเคราะห์ไว้สัก 4-5 หลักง่ายๆ หนึ่งเอาไปเลี้ยงจ้าของเงินเอาไปแบ่งแจกก็ต้องอเพราะว่ามันการันตีกันเวลาวนี่ดอกเบี้ยลอยเรเท่าไหร่บอกไปแล้วมันต้องหาให้เขาไม่หาให้เขาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปดูดมาจากใครล่ะสองต้องเอามาเลี้ยงตัวรเราก็เองพวกธนาคารนักธนาคารเองนะแล้วกัธ น, นาคารน่ะมันเงินเดือนถูกอยู่ที่ไหนชาวธนาคารน่ะเงินเดือนมันโหเหลือกําลังวังชาละ เดือนหนึ่งอย่างงี้คนทั้งชาติเขาก็ไม่ได้มีเงินเท่านั้นนะพวกชาวนาชาวไร่พว ก, วกนอกๆทั้งชาติเขาก็ไม่ได้เงินเท่าเดือนหนึนน่งของเขานะีมันเราเปรียบเทียบกันเลยกำลังนะีไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนกันนู้นหวยเราก็งดงดจริงๆหนึ่งเอามาเลี้ยงเอามาให้แก่เจ้าของเงินสองเอามาให้แก่พวกธนาคารเองสเอามาให้รัฐบาลเสียภา ษ, ษีไม่ใช่ไม่ให้ธุระเสียภาษีนะเสียภาษีรัฐบาลเอามาเสียภาษีภาษีต้อก็ต้อง ให้แลยเขาต้องดูดมาเผื่อทั้งนั้นดูดมาให้เจ้าของเงินดูดมาให้เจา้า ค, คนธนาคารดูดมาให้แก่รัฐบาลเป็นภาษีดูดมาให้เพื่อที่จะเป็นเงินพัฒนาขยายกิจการนี่ยลงกิจการใหญ่ๆเขาต้องมีทั้งนั้นอ่ะขยายกิจการแม้แต่ห้ามาไว้สําหรับรับรองหกนะ ให้แกคนที่จะเอาไปกู้ไปนั่นนะ่ะไปรีดต่อมาและไอ้คนที่เอาไปรีดต่อเนี่ยมันก็รีดให้แกห้าอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันต้องมาให้ธนาคารก็คือมันก็ต้องขบวนมาหมดแล้วมันซ้อนใช่ไหมนี่ฟังกันดี้ว่ามันซ้อนทั้งห้าเนี่ยแล้วเขาก็ต้องบวกให้ตัวเขาเองด้วยคนที่กู้เงินไปใช่ไหมเขาต้องบวกให้ตัวเองอีกด้วย mm hmm. แม่เจากธนคาคารนี่เงินที่ออกไปให้กูจ้จากธนคาคารนี่คนที่บอกแล้วว่าคนที่มันยืมไปไปจืมไปซื้อกินยืมเงินธนาคารเสียดอกเบี้ยไปกินเหล้าแล้วก็หมดตัวแล้วก็ให้ธ น, นาคารเขาจับไปเข้าคุกมีเหรอไม่มีเรามันก็เอาไปออกงานไปออกไปทํางานแล้วไปทํางานเพื่ออะไรมันก็ทํางานเพื่อที่จะไปดูดมาให้แกตัวเองได้เพิ่มแล้วก็ต้องให้เผื่อพอนะถ้าไม่พอนี่ก็ล้มละลายถ้าไม่ให้เท่าที่ดอกเบี้ยมันคิดราคามาแล้วธานาคารคิดมาแล้ว มันก็ไม่ไม่ไม่ไมอยู่ไม่ได้เลือดมนุษย์แดงแดงเลยธนาคาร <S <S เห็นไหมกินเลือดมนุษย์แดงแดงเพราะฉะนั้นมาตรการที่อาตมาว่าเบื้องต้นนี้เนี่ยเราจะลดความโลภของเราต่อไปในศีลข้อสองนี้คือเราจะไม่ไม่กินดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าเราก็จะไม่คืนเรื่องอะไรคืนในธนาคารแล้วก็จะไม่คืนเราก็รับตามที่มันเป็นไปตามมาตรการของเขา รับมาแต่เราจะคืนให้ประชาชนทีนี้เราจะคืนด้วยรูปอะไรเราจะเอาเงินไปแจกโทขคีมหานี่ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเพราะงั้นเราก็เอาแจกในเศรษฐศาสตร์ที่สูงสุดอะไรขาดแคลนที่สุดในสังคมตอบสิธรรมะขาดแคลนที่สุดน้อยที่สุดนะเป็นอุปทานหรือเป็นดีมานสูงสุดเป็นสิ่งที่ประสงค์ในสังคมมากที่สุดธรรมะขาดแคลน เราก็จะพิมพ์หนังสือและของเราเองนี่เราก็มีสื่อสารที่จะให้ให้แก่สังคมก็ให้แก่มหาชนได้หนังสือนี่เป็นสิ่งที่เราทําเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะขมวดว่าสั้นๆเลยมาให้จำเพาะเลยว่าเงินที่ได้ดอกเบี้ยมาจากธนาคารกี่บาทกี่สตางค์จากองค์กรต่างๆที่อาตมาดูมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นๆอยู่เนี่ยจะแนะนําให้เอาเงินก้อนนั้นไม่มีเล่นจริงตัดเข้ามา ให้แก่การพิมพ์หนังสือเอาเรื่องเดียวก่อนแค่เรื่องเทพเรื่องนนเรื่อ ง, งนี้ก็จะพึ่งมันจะมากมายไปมันจะวุ่นวายเอามาให้แก่หนังสือเพราะเราเห็นชัดเจนอยู่ว่าหนังสือของเราได้แจกให้แก่ประชาชนแน่แน่กว่า 80% เราแจกขายบ้างก็ไม่ถึงส0ไม่ถึง1 5บแจกจริงๆนี่เราเห็นสดๆแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะคืนให้แก่ประชาชนดอกเบี้ยอันนี้ของเราจะมาคืนแค่แก่ประชาชนโดยวิธีการนี้ นี่เป็นการลดโลกของเราอีกทำบุญของเราเองเป็นการก่อบุญคุณเห็นว่าบุญไหมเป็นการสร้างบุญที่มันซับซ้อนที่จริงมันยังเป็นเชิงบาปที่เรายังอาศัยบาปที่ลึกซึ้งอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราเองเราแฝง น, นี่เราถอดบาปล้างบาปอีกเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มบุญให้แก่พวกเราอีกนี่เป็นระบบของบุ ญ, ญนิยมมันซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้อยู่อย่างนี้วันในศีลข้อสองเราจะอย่างนี้เพิ่มขึ้น สี่ก็สมเรื่องราคาสก็สามเรื่องราคะเนี่ยเราก็จะพยายามในเรื่องของทุกทวารยาว่าในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายนะยาว่าในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสังวรต้องมีสติเสมอต้องทำขณะอยากให้ตกนะอัตมาโมวานี้ได้คำคำขวัญอะไรอันนึงขึ้นมาว่า แม้จีวรหลุดก็จะไม่หยุดสังวรฟังแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟังแล้วคารวะฟังแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องตามมันเป็นเรื่องของพระไปแม้จีวรหยุดหลุดก็จะไม่หยุดสังวรแม้จะต้องศึกไปเราก็จะต้องสังวรสังวรอยู่ตลอดกาลานาน <us> จะเป็นคารวะหรือจะเป็นพระเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าแม้จีวรหลุดก็จะไม่หยุดสังวรจะต้องสังวร นะสังวรจริงๆสังวรเสมอแต่เป็นคารวาสก็อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะจีวรหลุดแล้วฉันก็จะไม่แต่งงานนะจีวรหลุดแล้วฉันก็ยังจะต้องสังวรจีวรหลุดแล้วฉันก็ยังไม่แต่งงานจีวรหลุดแล้วฉันก็ยังจะมีศีลถ้าจะมีได้ให้ยิ่งๆไปอยู่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่ในคราของพระที่ผมจีวรก็ตามไม่อยู่ในครา ข, ของพระก็ตาม เราจะต้องส่องบอที่สุดในรูปรถกินเสียงสัมผัสรูปรถกินเสียงสัมผัสทั้งราบยศสเสริญอะไรก็ตามนะเราจะต้องลดความอยากใคร่จริงๆลดความอยากใครอันนี้ตีเปลาะลงไปถือว่าความอยากใคร่ราคาเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวแต่ตื้นๆอยู่แต่ว่าราคาเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นแต่ก็ต้องด้วยนะผม พ, พูดอย่างนี้ก็เลยบอกโอ้อยเงนินพนธุ์ธนวัละเว้นแล้วข้ามเรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้ว มั่วกันได้ไปเรื่องอื่นไม่ใช่นะอันนี้เป็นประตูหยาบต้องได้ก่อนละเอียดซ้อนเชิงขึ้นไปในเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็ต้องละเอียดขึ้นไปอีกเรื่องของอื่นๆที่ละเอียดซ้อนขึ้นไปนะเป็นตาหูจมูกลิ้งกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือลาบจดอะไรต้องละเอียดถะออกขึ้นไปอีกรดความหยากนะในศิ่ข้ อ, 4, อ, อสี่ข้อ 3. สามสข้อสมันก็เป็นเรื่องของวาจาซับซ้อนขึ้นไปเท่านั้นเองศี่งข้อ5ก็คือปฏิบัติศี่งข้อหนึ และทวารวาจาให้สอดคล้องเข้าไปล้างจิตปัญญาให้สะอาดสะอาดสะอาดสะอาดขึ้นนั่นเองนะไม่ได้มีอื่นไปกว่านั้นไม่ได้มีอื่นไปกว่านั้นแต่มีรายละเอียดมากมายเท่านั้นเองโดยหลักแล้วไม่มีอื่นไปกว่านี้โดยหลักแกน ก, ก็เรื่องอยู่ในนี้ละแต่ในรายละเอียดมันมีซับซ้อนลึกซึ้งมากมายกายกองที่เราก็ค่อยๆพูดกัน พูดกันบ่อยพูดกันเสมอๆนะอันนี้ก็เป็นหลักแกนหลักเกณฑ์ที่เราได้มาสํานึกดีปีใหม่กันนะเพื่อที่จะอยู่เหนือพรมลิขิตให้ได้เพื่อที่จะชนะพรมลิขิตชนะสิ่งที่เราเคยเป็นตัวของเราตัวของเราเรามันเป็นอัตโนมัติของเราเรียกว่าพรมลิขิตจะเป็นบุญเก่า จะเป็นบุญปัจจุบันความขยันปัจจุบันเป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถของเราเนี่ยมันจะมีมาของตัวของตนเพราะของตนนี่จะมีมีของของตนเองนี่เป็นสมบัติมาจะเป็นความขยันเป็นความขี้เกียจจะเป็นความสํานึกดีจะเป็นความสามารถจะเป็นความรู้ความฉลาดเป็นความชําชองอะไรแล้วแต่มันมีของตัวมาเป็นพรสวรรค์หรือว่าไปเป็นสิ่งของตนมาแต่เราจะไม่จํานวนอยู่เท่านี้ นั่นเราเรียกว่าพรมบริขิมาแล้วคือเราไม่จะพรมลอกกูลิขิตนะกูลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าจริงๆเราลิขิตของเรามาแต่เดิมมันเป็นบุญเก่าของเรามันเป็นบา ร, รมีของเราเป็นพลวัตปัจจัยที่เราได้สั่งสมกรรมของเรามาไม่ใช่ใครมาประทานไม่ใช่ใครมีประทานมีแต่การเกื้อกูลแนะนํากันไปสู่ดีพระพุทธเจ้าก็แนะนําเท่านั้นอาตมาก็มาแนะนําได้ต่อคุณเห็นดีเห็น คุณทำคุณสั่งสมคุณภาคเพียรขยันเอาอนี่คือเราจะแก้ปมเลื่อนพรหมมลิขิตแก้พรหมมลิขิตไม่ฉะนั้นถ้าพรหมมลิขิตนะชาตินี้ก็พรหมมลิขิตอย่างนี้ชาติหน้าคุณก็พรหมมลิขิตต่อมันเท่าเก่าเท่าเก่าเท่าเก่าทุกคนก็เป็นลูกเก่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เที่ยงแท้นี้นะมันเลวลงก็ได้สูงขึ้นก็ได้ แล้วเราจะเลือกเอาข้างไหนตอบจะสอบตกก็แล้วกันมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเนี่ยมันเลื่อนลงก็ได้สูงขึ้นก็ได้มีความไม่เที่ยงแท้แล้วเราจะเลื่อนขึ้นข้างไหน isi, เลื่อนเลื่อนลงข้างไหน péri. แน่นอนไม่บาไม่เมาก็ต้องบอกจะเลื่อนขึ้นข้างสูงเลื่อนข้างๆ้างเจริญใครจะไปเลื่อนลงต่ำความไม่แน่นอนพะเลื่อนขึ้นได้เพราะนั้นเราไม่ตายตัวเราเอาชนะอยู่ที่เรา กรรมอยู่ที่เราการกระทำภาคเพียรอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นจะชนะได้ดีไม่ดีอยู่ที่ความเพียรคุณเห็นไหมว่าความเพียรมันเป็นตัวไขปัญหาเป็นตัวเงื่อนไขหลักที่สุดเงื่อนไขหลักที่สุดอยู่ในโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าขันตีปรมังตโปตีติขานี่ที่อาตมาขยายความขึ้นมาเพราะนั้ความเพียรความอดทน ความกล้าความอุตสาหะวิริยะบากบั่นเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขหลักในความเจริญของมนุษย์แม้แต่พรหมบริคิดก็ตีแตกหมอดูไม่แม่นหมอดูดูพวกโลกุตระบุคคลนี่ดูไม่แม่นดูไม่แม่นดูไม่ได้ดูไม่ออกไม่มีหมอดูคนใดดูอาตมาจะต้องมาบวชมาทํางานศาสนาเลยไม่มี <c oughs> ไม่เคยพบ เพราะตมาไม่มีท่าเลยแต่เป็นคารวสอย่านี้ว่าแต่หมอดูเราเพื่อนๆใครอยู่ด้วยกันไม่เคยคิดเลยว่าตมาจะมาทางนี้ไม่มีมีแต่เป็นประจอบประแจประเจอโอ้ โ, อโหดลดนเเล่นนมันนภาษามันก็ไม่ไม่ค่อยจะน่นหะแดดมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงอีกแหละเขาว่าแดดมันเป็นเขาว่าผู้หญิงเขาไม่ว่าผู้ชายมันก็เหมือนแดดนือนัอาตมาใ่ก่อนๆนีนๆ่เป็นคาวะก็มัดอย่างนั้นแหละแหล่แหลอย่างนั้น ทั้งแรดแดกทั้งแหล่แหลอยู่เงินมันไม่ได้มีเชิงชั้นว่าจะมาเป็นนักบวชจะมาเป็นอะไรเพราะฉะนันมาเลยชํานาญมาเป็นนักบวชแบบเพลนนักบวชไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันแรดมันแหล่ม า, มากมันเป็นนักบวชเลยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหรนะ่สรุปแล้วก็ขอให้พวกเราเอาคํานี้ไปแล้วไปขยายเอาเองที่อัตมาได้อธิบายมาแล้วนี่จากหัวข้อที่ว่าเอนะ สมมาธิฏิมีเพียรจัดจะชนะพรหมลมิขิตหรือให้สันส้นๆกับว่าชนะดวงก็ได้นะจะชนะดวงหรือจะชนะพรหมลิขิต น, นี่เป็นเป็นหัวข้อที่เป็นคำรวมะจะตั้งชื่อก็ตั้งชื่ อ, อจากอันนี้ก็แล้วกันจะตั้งชื่อว่าอย่างไรตั้งชื่อทเทพบุญนี้ก็คอยคิดกันดูซิช่วยกันตั้งนะเอาละอาตมาก็ได้เทศนามา ในภาคเช้านี้ว่าให้เนื้อหาแก่พวกเราแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปจากนี้ก็โตเพียรกุศลไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะต่อไปนี้ให้เกิดเมตตามากขึ้นให้เกิดการละความโลภมากขึ้นมีการงานขยันเพียรศีลก็สองในต้องมีสมาอาชีพเดี๋ยวว่ามีการงานถ้ามีสิ่งที่จะทําในชีวิตประจําชีวิตให้เป็นหลักเป็นโลปเป็นพายอ่ ลดความโลภเป็นการงานที่ลดความโลภจริงๆแล้วก็ลดล้างราคา่าล้างความอยากของตนเองไม่ว่าทางกายกรรมวจีกรรมก็สอดคล้องมหาเดียวกันมโนกรรมก็สอดคล้องมหาหลักแกนอันนี้ทั้งนั้นเป็นสมาสังกปะสมาวาจาสมมากรรมตะสมาอาชีวะด้วยสมาสติสมาสติซึ่งมีสมโดยสมาธิที่มีสมาสติสมาสสมาวายามะห้อมล้อมเราจะได้สร้าง ความตั้งมั่นขึ้นมาที่แกนจิตของเราเรียกว่าสัมมาสมาธิยานก็จะเกิดสมาวิมุตติก็จะเกิดสัมมาสอดคล้องกันไปทั้งหมดทั้งมรรคผล2นี้ตั้งแต่ปีนี้ก็ขอให้พวกคุณเจริญโดยมรรคแและผลสองนี้ท่วนทั่วกันมากเท่าที่จะมากได้ของแต่ละบุคคลเถิดเถิด